แล้วก็มีน้ำในกรบน้ำในปอดหัวใจเต็นไม่เป็นยังวะงนี้เป็นต้นได้รับการทร ม, มานทางร่างกายอย่างหนักแต่ถว่าบรรดาท่านผู้บวายสักน้ร้ายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริงๆ ทำไมอาตมาจึงทาการกอร่อสร้างถ้าพวดทั้งการกอร่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทำเพราะว่าทั้งแก่แล้วทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่จะเริญนภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวพนที่ต่างๆไมที่พอใจ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 บอกไม่รู้ละฉันหาให้ทันก็แล้วกันน่าราคาไม่แน่นอนว่าของไม่จะขาดของไม่จะขึ้นราคาข น, น, นาไม่ช่าของจะขาดมือลงในท่อนตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากาหนดราคาเวลานี้ก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งว่าว่า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 ว่าเราเคยเห็นวัดท่าสงชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นดีลาของพระท่านที่ต้องการใช่คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆ ย, ยิงเรียกกันได้ช่างบระเสยกระจมเนียนสามีปัญญาเป็นช่างประจําวัดช่างปั้นพระ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 เธอก็สถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ํากว่าพระยืนเฉพาะยอดนะถึงยอดเรื่องที่พอใจก็บอกกับเธอว่าเจดีย์นี้ตรงมีดอกพุทธาลทั้งหมดตดอกพุทธานทั้งหมดปิดทองคําร่องพุทธานก็ติดกระจกกระจกเงาขาวใส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 แต่เราเห็นภาเจดีนั้ราจะนึกถึงว่าสองคนสร้างก็เป็นสังขารโนสติเห็นภาคเจดีสวยเป็นภาคของกุศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจมั่นคงมากเป็นสมาธิสูงก็ไปพรทธมรรคตายที่เฉพาะเจดียตอนนี้การกอร่อสร้างทุนไม่มีรือบรรดาันพุทธบริษัทคงจะมีคนทําบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกินามพันบาท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 ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรนไนจากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยสงามมากมีกิ่งมีก้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงดงามเปแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนอามาเป็นที่ใส่พระปรมสารีทิกราทั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 ว่าคนที่วขุดพบเน่ยเขาขายเอกสิทธิเขาขุดพบก็ได้อะไรไปบ้างก็ไม่ทราบนี่คณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของเขาขายให้ราคารหลายหมื่นบาทจะไม่ได้สามหมือนถึงสี่หมืนก่อนที่เรามา่อกูตก็ทําพิธีบงวงสรวง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 ว่าสิ่งที่รับที่มีอยู่ที่เราไม่สามารถเห็นได้นตมีอยู่เมื่อทาพิธีบวงสวงเสร็จเสียงใต้ดินคึกขับคึกขับคล้ายๆกับคนขน ข, ของจะหนีเสียงดังสะท้านมนเหนือดินก็โยมสันผู้ก่อนบอกว่าไม่เดาไปในรอกจะขุดไปถวายหลวงพ่อที่วัดท่าสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นพระ ท่านก็จะมีสิทธิ์ไปขอว่าของนี้เป็นของสงก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้ว <c> ก <oughs> ันพระบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เกดด ง, งียบถ้าขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปขุดไปแล้วก็เธอก็อนำเอาของมามาแจ้งข่ให้ทราบว่ายังไม่ได้พระอรงค์สารีรัตน์ก็บอกให้ไปบูชาใหม่ ว่าพระโลงิตารีกทัตรอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดเจขุดทางนั้นก็เป็นว่าแปลว่าได้พระโลงิารีกษตรเขาถวายพระพุทธรูปเทวรูปมามากดันั้นเจดียวนี้จึงบรรจุของทั้งหมดคณะขยมสอรผู้ก่อนพิศุโลกทางการะด้าของท่านนำมาเอาไว้ในเจดีหลังนี้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 พระไมนมีชีพขายพุทธรูปกระรองความว่าเจดีมีค่าสูงสุดที่มีความสําคัญจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คือว่าที่พระท่านมัจัดการสร้างเองท่านเที่ยวเห็นได้สร้างเป็นความประสคงค์ท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบแต่สถานที่ทั้งอาชีวะต้องสร้างตรงนี้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 จะบรรจุพระบรมสารีิกธาตุาวันที่18กุมภาพันธ์2565งก่กับวนการส า, ารเมื่อวันมาค้าบูชาถ้านับอายุอาตมาตามใบสุธิก็75ปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่75ปีไม่ใช่ร้อปี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 มารกมีจริงสวรรค์มีจริงผู ม, มโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วยังไ ม, ไม่ยังไม่สิ่งกิเลสตรงตัวเ ว, วียนวหวใจเกิดเราไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็แสดงว่าเราเป็นดิรศรีเป็นคนนอกว่านารรมเวลาบทอาศัยพระอาศัยบา ร, รมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระอัตมาก็ยอมทำตามนั้นไม่ได้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 แจกจะพกับคนที่ทำบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทำกระดาษช็ดก้นหมดรบรรมดานันพุทธบริษัทโดยเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพัฒนาบงคนสบนบนมบูรณ์บนผลจงมีแต่บรรดานันพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดีเวลาที่ที่แปดวินาที